ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปฐุมกำลังนำเสนอพระสูตรในสังยุตติกายสกาตะวักกะอยู่ในกลุ่มของคำถามเทวดาที่มาเฝ้าพระพูทมิพระภาคเจ้าในหลังเก็เที่ยงคืนนะฮะ คนคำถามบางคำถามเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าโดยในยะหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถสัมผัสได้โดยในยะหนึ่งประสูตที่จะกล่าวในวันนี้เรียกว่านิโมกขสูตรก็เป็นภาษาที่เทวดาเขากล่าว คือคำเหล่านี้เป็นไวยพพน์ของนิพพานแล้วก็เรียกได้เยอะเรียกว่าวิโมกบ้างเรียกว่าปามโมกบ้างเรียกว่านิโมกบ้างเรียกว่าวิมุตบ้างวิสุทธบ้า ง, ส, างสันติบ้างก็แล้วแต่เพราะว่านิพพานเนี่ยมัน มันเป็นปรมัเทศสัจจะเป็นสัมผัสทางใจของผู้ปฏิบัติจะบัญญัติชื่อเรียกยังไงก็ตามเราก็ไม่สามารถอธิบายเนื้อหาสาระที่แท้จริงของนิพพานได้มันก็ทำนองสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เราก็ต้องสัมผัสด้วยตัวเราเองคือเราต้องเห็นเองได้ยินเองในสุดลมเองในลิ้มเองได้จับต้องเองแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสเหล่านั้นมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับคนอื่นก็เป็นลักษณะาลางเนื้อชอบลางยาคนเราก็คิดกันแตกต่างออกไป พจนภาษาใจเหล่านี้เป็นภาษาจริงๆแล้วอธิบายไม่ได้ตอนเรื่องของโลกุตระธรรมเนี่ยจะพูดในเรื่องตัวเหตุที่จะให้ถึงโลกุตระธรรมแทนที่จะไปอธิบายตัวสภาวะของโลกุตระธรรมมันก็คล้ายๆกับ เราไปยาวนั่งอธิบายรสชาติของอาหารเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยอธิบายไปเถอะยังไงมันก็ไม่รู้รสอยู่นั่นแหละนอกจากว่าปรุงอาหารให้เขารับประทานแล้วเขารับประทานแล้วเขาก็จะรู้โดยตัวเขาเองเพราะคำสอนในทางพราพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าเช่นอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดอารมณ์สมถะกรรมฐานทั้งหมดเนี่ย มันมีสี่สิบเป็นการรวบรวมมาจากที่ต่างๆผู้ที่รวบรวมก็คือพระพุทธโส ษ, ษ, ษาจารย์เป็นคนรวบรวมแต่ว่าก็เป็นพระบาลีพุทธวัจนะนั่นแหละเพียงแต่ว่าพระเจ้าทรงจาแนกแสดงโดยปริยายในที่ต่างๆท่านก็ขยันนะท่านก็เก่งก็สแสดงว่าท่านก็แตกฉานมากในภระไติดก ก็นำมารวบรวมเอาไว้เราเห็นว่าจะมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เพียงข้อเดียวในอนุสติอนุสติสิบข้อสุดท้ายเรืออุปสมานุสติเป็นการตั้งสติแล้วลึกถึงนิพพานแต่นิพพานเป็นตัวกระตุ้นให้เรามุ่งไปสู่มันทำนองใล้ๆกับพูดถึงเชียงใหม่ จะพูดไปพูดมามันก็ไม่เห็นเชียงใหม่หรอกอคุณต้องไปเองก็ต้องบอกถนนลนทางที่จะไปจะบอกเครื่องบินบอกรถเมย์รถอะไรก็ไม่รู้แหละก็สรุปว่าก็ต้องไปเองแล้วจึงจะถึงด้วยตัวเองแล้วคนอื่นต้องการรู้อีกก็ต้องไปอีกอะ่ะเพราะฉนั้นพระเจ้าจึงทรงสแสดงสถานะของพระองค์ว่าอัคาตาโร ต, ถ า, า ต, าตถาคตาตถาคตเปลี่ยนเปลงผู้บอกท่าน ส่วนการจะประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตจนหลุดพ้นจากบ่วงของมาเนี่ยเป็นภารกิจที่เธอทั้งหลายจะต้องทำด้วยตัวเองแต่ที่จริงกดตรงนี้ก็เป็นกดธรรมดาก็เป็นสูตรธรรมดาธรรมดาแต่บางครั้งมากคราวก็มีคนที่สับสนจะมีเอกสารวันก่อนก็ มีคนก็สีร็อกเอ ก, กสารผูดถึงการทำนิพพานหล่นหายนิพพานคืออะไรนิพพานไม่ใช่รูป อ, อวัตถุมันหล่นหายไม่ได้หรอกและนิพพานมันเป็นผลเป็นผลมาจากจิตที่ปราศจากอาสวะกิเลสประสาบใดจิตยังมีกิเลสปราบนั้นนิพพานก็จะไม่ปรากฏ ตับใดกิเลสหมดนิพพานก็ปรากฏในจุดนั้นแหละนิพพานเนี่ยมันอยู่ตรงงานข้ามกับกิเลสเพราะงั้นแต่าการจะทำให้กิเลสหมดไปก็ต้องมาเพ็นอริมากให้สมบูรณ์ในการเข้าเฝ้าของเทวดาตามปกติแล้วเนี่ยคือคือจะบรรยายบางสูตรเนี่ยท่านจะบรรยาย ไม่ไดให้รายละเอียดเยอะอย่างเช่นในมงคลสูตรเนี่ยจะเล่าพระสูตรนี้ก็เหมือนกันกับเราพอสมัยหนึ่งพระผู้มีพระพภาคจประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาตบินดิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลประโมยามล่วงไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวัวนะงามอย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กันแล้วจึงถวายอพิว่าพระผู้ ม, มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนครั้งหนึ่งนี่คือคือลักษณะของเขาแหละคืออย่างที่บอกท่านผู้ฟังมาว่าเทวดานั้นไม่เคยพบนั่งประโยงประนมมือถวายบังคมพระผู้ ม, มีพระภาคเพียงแต่ว่ายืนอยู่ณที่สุดส่วนครั้งหนึ่งแล้วก็ถวายบังคมแล้วก็ กลับพูดถามปัญหาบางครั้งก็เสนอความคิดเห็นยังแนวตายนัสูตรที่พูดไว้ในวันก่อนหรือจะพบว่ า, าท่านกล่าวจบท่านก็อาอันตรธ า, านไปเลยรูปธรรมย่าไปอย่างไม่ได้อนโมทนาเลยแต่ท่านก็อันตรธ า, านไปแล้วก็มาเป็นการสแสดงความคิดเห็นความเข้าใจของท่าน แล้วก็มือถูกต้องมันก็คือถูกต้องก็มีตั้งคำถามพระตาฐาาจารย์อธิบายว่าตามปกติแล้วเทวดาจะไม่กล้ากลายกับโลกมนุษย์หรอกที่เข้ามาสู่โลกมนุษย์นั้นเพราะศีลกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าที่พุ่งกระจรกระจายไป ศิลักันโทอนุตโรนะฮะกลิ่นศีลเป็นกลิ่นที่ยอดเยี่ยมพระทิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเรียกว่าพระสุปฏิปันโนก็สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมมันเป็นศีลคือไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือศีลท่านเปล่งออกมาเราก็มองเห็นเฉพาะศีล แต่เวลาท่านพูดท่านแสดงก็อาจจะเห็นปัญญาแต่สมาธิเราไม่เห็นหนอกคือเป็นเรื่องสัมผัสตรงส่วนตัวของท่านแต่ปัญญานั้นก็ไม่แน่ปัญญาระดับจำก็ได้ระดับรู้แจ้งก็ได้ระดับรู้จริงก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สรุปว่าอาการที่ปรากฏาจริงๆเป็นอาการของศีเรียกว่าสันตกากโย ο, สันตาวโจแล้วก็สันตามโน กายสงบวาจาสงบมาจากจิตที่สงบสงบจากอะไรก็คือสงบจากกิเลสพระเทวดาเนี่ยมาเพราะมีธุระต้องการเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ก็เหม็นกลิ่นโลกมนุษย์เขาบอกว่ากลิ่นโลกมนุษย์เนี่ยปรากฏแก่เทวดาในที่ตั้งร้อยโยชนะทุกวันเราคงกว่านั้นไปแล้วเพราะว่ามลพิษเยอะนี่เขาพูดสมัยโลกไม่มีมลพิษมากนะัก แล้วก็ต้องการจะกลับด่วนผลพอกราวอะไรก็ตัดเถวันตัลลายิทันทีเลยอันตรริทานไปจากที่นั้นทันทีแต่ท่านก็บอกว่าเทวดานั้นขันยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแหละแต่กลับทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ โปรงย่อมทรงทราบมักเป็นทางหลีกพ้นผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายหรือหนอนี่ก็แสดงเห็นว่าเทวดามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทุกข์แต่ว่าท่านก็ไม่ใช่ต้องการทราบประเด็นตรงนั้นแต่ต้องการทราบว่า พระองค์รงทราบมักเป็นทางหลีกพ้นผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นทิศสงะก็สามประเด็นนะฮะถามหมายความว่าคําตัวเนี้ยคําบาลีเรียกว่านิโมกขะเป็นชื่อของธรรมทั้งหลายมีมักเป็นต้นทีนี้พวกนี้ก็อีกแหละคือเกิดขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่เขาอยู่ด้วยกันหลายคํำไหม แล้วก็อยู่ในการหลายคำในที่นี้ก็มีสามคำทังคฟังจะเห็นว่าก็มีนิโมกขะมีปโมกขะแล้วก็มีนิพานเราก็แสดงว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการละกันทั้นฟัง ค, คงนึกออกว่าในธรรมจักรวัฒนสุขตอนต้นๆนะตอนต้นๆที่ทรงแสดงว่า จะขู่กรณีกระทําดวงตาให้บังเกิดขึ้นญาณนกรณีธรรญยาในบังเกิดขึ้นอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบอภินญายะมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นแลือสัมโพธายะจนถึงตัศรุแล้วก็นิพานายะก็คือนิพานเพราะนั้นจริงๆผู้อภิญญาก็ดีโพสัมโพธะก็ดีหรือผู้นิพานก็ดีถ้าเขาแยกเดียวนะฮะแยกเดียวไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ก็หมายถึงตัวเหตุก็ได้ตัวผลก็ได้ก็แล้วแต่แต่ถ้าก็มาอยู่ด้วยกันหลายๆคำเนี่ยมันเป็นเรื่องขนาจิตอย่างยกตัวอย่างในหนังสือธรรมอิจารสมเด็จพระมาะสํมนาทรงอวัยพลดของนิพพานซึ่งเป็นปัจจัยของการไหลกันแต่มันแม่มันขนาขนาดซึ่งดูไม่ทันนะฮะ ท่านเรียงเป็นนิพิทาวิราคะวิมุติวิสุทธิสันติแลนน่านิพานไอหกคำรเราเห็นว่าเป็นโลกิยะอยู่แค่คำเดียวคือนิพิทาความเมื่อนาเนี่ยวิราคะถ้าเขาอยู่เดียวเนี่ยเขาหมายถึงนิพานได้วิราโกเศธโธธรรมนังวิราคะเป็นยอดแห่งธรรมเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายหรือว่าสุทธิก็เหมือนกันก็หมายถึงนิพานก็ได้ถ้าเขาอยู่โดยลําพัง แต่ในที่นี้เมื่อมาเรียงกันปรากฏว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันแล้วก็เอาคำสุดท้ายเนี่ยคือคำนิพพานเนี่ยเป็นตัวผลจริงๆถามว่าทำไมต้องแสดงอย่างนั้นก็ยันต่บอกว่านิพพานเนี่ยเป็นเป็นชื่อบัญญตัติแต่ว่าตัวสภาวะเนี่ยมันเป็นสัจจะแล้วก็ชื่ออย่างไงก็ไม่รู้นะฮะ สมมติว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นเป็นฝรั่งไอ้ชื่อคงไม่เรีย ก, กว่านิพานธนะหรือสมมติพระพุทธเจ้าเป็นจีนชื่อมันก็เรียกวย่งเด้งพระพุทธเจ้าใช้ภาษาโลกกนิรุตโล ก, กภาษาโลกกสมัญญาโลกกบโวหารที่สามารถสื่อสารกับคนในยุคสมัยของพระองค์ได้และในสถานที่ที่พระองค์เสด็จไปได้ ซึ่งเราเห็นว่ารัศมีที่พรเจ้าเสด็จเนี่ยจากแผนที่ที่เราเห็นในปัจจุบันมันก็ไม่ประมาณสักสักหนึ่งในสามของพื้นที่ชมพูทวีอาจจะกว่าเลยทําไปนะอาจจะถึงสี่หนึ่งในสี่เลยทําไปเพราะชมพูทวีสมัยโบราณมันกว้างมาก ปากี่สถานอับกาญนิสถานปูฐานในปานละอะไรต่างมันก็อยู่ในเครือจุลปุธวีปแต่รอถึงบางประเทศเนี่ยเพราะะฉนั้ผลสำรวจแล้วมันก็อาจจะหนึ่งในห้าของพื้นที่ก็ได้ที่พระเจ้าเสด็จที่ปรากฏหลักฐานนะปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าได้เสด็จไปในสถานที่เหล่านั้นพผลภาษาก็เปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนไป แต่ว่าพระสูตรแนวนี้เป็นที่น่าสังเกตอย่างที่บอกไว้ว่ามักจะเกิดที่ประเชศตะวันถามว่าทำไมเกิดที่ประเชศตะวันเพราะจริงๆพระเจ้าประทับที่ประเชศตะวันแค่ 19, สิบเก้าพันษานะฮะไม่ใช่สิบเก้าปีแม้สิบเก้าพรนสา ก, ก็คือสามเดือนหรือสี่เดือนตรงเนี้ยแล้วจะเที่ยวจาริกสั่งสอนประชาชน เก้าเดือนหรือแปดเดือนของแต่ละปีเราต้องดูนะครับพระเจ้าอยู่กลางดินกินกลางทรา ย, ยตลอดพ้าเราสมัยนี้ไปไหนมาไหนก็ใช้รถก็เดินไม่ได้แต่สมัยพระพุทธเจ้านี่ใช้เดินตลอดนอกจากว่าใช้มโนมยิจในบางการณีเพราะงั้นไอ้คำถามขาองเทวดาเนี่ย คือตามปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมหลีกพ้นจากเครื่องผูคือกิเลสได้โดยมกักหมายความว่าออไม่มีทางอื่นนอกจากมากักแล้วมักแต่ละข้อเนี่ยคือถ้าเราดูดีว่ามักแต่ละข้อถ้าเราสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ตัวของศีลเนี่ยแก้ที่โลภะเป็นหลัก แล้วก็สมาธิก็แก้ที่โทสะเป็นหลักและปัญญาก็แก้ที่โมหะเป็นหลักไม่ได้หมายความว่าล้วนๆนะคือคือจริงๆในศีล ส, สมาธิปัญญาเขาก็เขาก็เป็นอยู่ด้วยกันนะอะไรเด่นกว่าเขาก็เรียกสิ่งนั้นเพราะโลภะโทสะโมหะเขาก็ปนๆกันอยู่อะ่ะแต่ว่าอะไรเด่นเขาก็เรียกอย่างนั้นเพราะเวลาเราไปเรียนที่อภิธรรมเป็นอะไรที่จริงมันขนาดจิตดีปะ ขนาดจิตเดียวแต่เวลาเขียนไปลายลัออกษณ์อักษรปรากฏว่าทั้งครึ่งหน้ากระดาษมันเป็นขนาดจิตแต่นั่นเองเพราะนั้นจึงเป็นสัมผัสทางจิตถึงแม้จะเรียนท่องได้เป็นอัคคยานก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าจริงๆเราสัมผัสไม่ได้เพราะมันเป็นสัมผัสทางจิตทํทำยังไงว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยจะรู้เห็นด้วยตัวเองแล้วก็เป็นภาษาที่ อ, อธิบายไม่ได้ดังกล่าว ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็กล่าวว่ามรรคเป็นทางหลีกผลของสัตว์ทั้งหลายทีนี้ต่อจนนําก็เป็นผลนะว่า พ, พอพ้นปัมันก็เป็นผลนันตีผลมรรคกับผลเนี่ยมันก็มันก็ขณะเดียวอะแต่ว่าเวลาศึกษาในรายละเอียดเบื้องสูงธรรมะยิ่งละเอียดเนี่ย มันตัวลายละกษอักษรจะเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วขณะแปบ๊บเดียวนี่ไปอะไรถึงไหนกันแล้วก็ไม่รู้เพราะในส่วนขนาดแห่งผลนสิสัตทั้งหลายเหล่านั้นหลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกคือกิเลสก็กล่าวว่าผลเป็นความหลุดพ้นของสัตว์ทั้งหลายแตที่จริงก็พอมรสมูลมันก็เป็นผลนะครก็ถ้าเราเทียบ เทียบคล้ายๆกับเรากินข้าวพออิ่มมันก็เป็นผลเป็นความอิ่มแล้วเราก็หยุดหยุดราวประทานแต่ว่าข้าวก็ยังว่าเลยมันก็อิ่มได้มันก็หิวได้ดังนั้นผ ล, ผลผลผลทั้งหลายเนี่ยพอเกิดขึ้นจากนั้นก็เป็นนิพพานเทวาก็ถามทั้งสามคำ แต่จริงทั้งสามคำเนี่ยมันวินาทีเนี่ยมันมากกว่าเยอะมากสำนวนอภิธรรมก็พูดถึงแสนโกดขณะก็เลิกนับกันเลยเลิกพูดเลยตัวอย่างที่บอกนะวันก่อนเนี่ยดูรายการของคุณปัญญานิรัน์คุณเขาในกาปรมาณูมา ปรากฏว่ในการปรมาณูเนี่ยมันบอกวินาชีเนี่ยเป็นแสนขณะแต่ก็จำไม่ได้ว่ามันกี่แสนนะยก็แสดงว่าพระสัพพัญยุตยานเนี่ยมันเกินปรมณูไปเป็นความถูกต้องที่สมบูรณ์มากๆทีนี้เมื่อเทวดาถามมาอย่างเนี้ย ไอ้ตัวนิพานในทีน่นี้อย่าลืมนิพานใช้คำว่าสงัดนะฮะแต่ที่เราคุณเนี่ยนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบหรือสงัดไม่มีนิพานเรามักจะใช้ไปในความหมายก้อนคำว่าดับทุกข์ดับเพลิงกิเลสแล้วก็เพลิงทุกข์หรือนิพานเป็นแปลว่าความดับทุกข์หรือว่านิพานแปลว่า ดับเย็นก็นแล้วแต่แต่สรุปว่ามันเป็นสัมผัสทางใจก็แล้วกันทีนี้ถ้าเรามองอีกแนวหนึ่งเนี่ยทำทั้งหมดคือมรรคผลทั้งหมดเนี่ยเป็นชื่อของนิพพานเพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นนิพพานเนี่ยมันมีมรรคผลอยู่ด้วย ทำให้ทำใม้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเค ต, ตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าไอ้คําว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวนทไอ้ที่จริงมีลักษณะมันหมุนหรือถ้าเราดูให้ดีเลยจะหมุนเป็นวงกลมเหมือนกับอริยามรรคแหละเหมือนอริยามรรคเราจะหมุนเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าสัจฺจุูกเขาเไีไวรรไยว่ธรรมะจากหะไทยธรรมะจากหะไทยของพุทธเจ้า พันฐานนาเจริงๆเลยเขาเป็นนิโรธก็ เ, เป็นนิโรธเพราะว่าออกมาจากประโอษของอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทีนี้พอเข้าหูเช่นเช่นส ม, มุติจแสดงปฐมเทศนาเข้าหูท่านปัญญาุคีมันก็เป็นเป็นปริยัติพระปัญญบาุาคีก็เรียนรู้เป็นปริยัติแล้วก็น้อมนํามาปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติ พอจบธรรมเทศนาพระปั ญ, ญโยคีบรรลุมัมคคุณก็เข้าถึงปฏิเวทเพราะปฏิเวทของพระปั ญ, ญโยคีนี่เหมือนกับที่ตัวปริยัตินั่นแหละแต่ปริยัติมันเป็นภาษาแต่ตัวปฏิเวทเป็นตัวสัมผัสเพราะนั้นในที่นี้ท่านท่านท่านานั้ น, นจึงอธิบายว่าสงัดอนิพานเนี่ยเป็นความหมายว่าสงัดเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ตั้งหลายย่อมหลุด ย่อมพ้นย่อมหลุดพ้นย่อมสงบทั้งสามความหมายที่เทวดาถามนะฮะนิโมกขะปะโมกขะแล้วก็นิพพานะเนี่ยมันก็ด้วยการเจริญมากคือหมายความมาพมารมมรตสมบูรณ์เนี่ยมาสมบูรณ์เขาเรียกว่ามารรสามบาบังคีคือมรรคเขาผนึกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ความทุกข์มัก็หมดก็เพราะบารรลุไอ้สิ่งที่หมดเนี่ยเรียกว่านิพพาน พรห น, นิพานเนี่ยจึงกล่าวว่านิโมก็ได้แปลว่าหลีกพ้นก็ได้แปลว่าหลุดพ้นก็ได้แปลว่าสงบก็ได้วิเวกเนี่ยแปลว่าสงัดก็ไ ด, ะะ ด, ได้คำเหล่านี้บางทีเราเสียเวลาเถียงกันเยอะคือไม่รู้เถียงนี่ยทำอะไรนะแต่คนชอบเถียงเ่ยแล้วเถียงธรรมะแล้วโกรธ ด, ด้วยนะเป็นเรื่องแปลกว่าเถียงพูดธรรมะถึงปรมัทิตย์แล้วโกรธ ด, ด้วยนะ กเรียกว่าพวกกรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอคือคุยธรรมะนี่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่เถียง่อย่างที่เคยยกไป อ, อย่างให้ฟังไหนว่าคนที่เถียงที่จริงเป็นคนงโง่้วยกันงโง่ทั้งคู่เดีแหละใครงโง่มากกว่าต่นนั้นเด็งเพราะคนรู้จริงๆเขาจะไม่เถียงกับคนงโง่เขาจะพูดด้วยกรุณามื่อเขาไม่เชื่อก็จบ ก็อุเบกาก็ไม่รู้จะว่ายังไงแหละกษัตริย์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมและยังไปเถียงกันมันไม่ใช่วิธีการของพูดอ่ผู้เจ้ารับสั่งรับสั่งกับพระโมคคัลลานะบรุกรุโมคคัลลานะเราไม่ ส, สรรเสริญ ถ, ถ้อยคําที่เป็นเหตุให้ถกต้องถกเถียงกันเพราะเมื่อถกเถียงกันแล้วก็จะคิดมาก ผมคิดมากก็จะฟุ้งซ่านผมฟุ้งซ่านก็จะไม่สํารวมผมไม่สังรวมจิตมันจะห่างจากสมาธิพอถ้าเขาเถียงก็ก็ปล่อยเขาเถียงไปใครอยาไปเถียงแค่ข่าวคเราดูกระแสของอารมณ์ชาวบ้านนะั่นนะะเว้นี้มันมันคล้ายๆกับพิกลคือหนังสือพิมพ์ฉบับไหนฉบับนั้นเลย ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์การรัฐบาลเกือบจะทุกขลัม์ไม่จะทุกคอลัมน์ะฮนะเพราะว่าตามปกติไม่เคยอ่าน่ะคือมองส อ, องสามบรรทัดเราก็เห็นรังสียมหิดแล้วถือไม่อยากอ่านเพราะว่าเราเรารู้สึกสงสารคนอ่ะพอดูนามปากกาโอ้โหคนขนาดนี้คิดอย่างนี้แบเนี่ยแล้วก็สงสารแล้วก็สดแล้วก็เสียดายคน ก็ เ, เรียกเสียผู้เสียคนกันไปเยอะเลยเพราะไรเพราะว่าคนเราต้องมองกันด้วยเมตตาแล้วพอเขาประสบปัญหานี่ไม่ใช่ไปกระทึบซ้าเราต้องเกิดการุณาแล้วพอเขาสบประสบความสาเร็จต้องมุทิตาอยางเนี้ยมีข่าวมีบางกลุ่ม บอกว่าถ้าทานายกกลับมาเป็นนายกอีกเนี่ยเขาจะคัดค้านแล้วเรียกตัวเองว่าสมาพันธ์ประช า, าธิปไตยเอ๊ะอะไรประชาธิปไตยโดยความหมายง่ายก็คือถูอเสียงข้างมากเป็นประมาณเนี่ยเมื่อคนส่วนใหญ่ก็เอาอย่า ง, งานั้นเราเป็นอนุเล็กๆในสังคมก็ต้องยอมคล้อยตา ม, มันไม่ใช่ว่าต้องใช้ ฉันชอบตอนนั้นจึงควรอันนี้แบบทีฆนาคา่ะสิ่งทั้งพวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดปุจ้าระบสั่งว่าถ้าอย่างนั้นทีฆนาค่ะถ้าอย่างนั้นความเห็นของเธอก็ต้องไม่ควรแก่เธอด้วยเธอต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยนั่นคือคือคื อ, คอลักษณะของของจิต เราเห็นว่าถ้าเราปรับจิตอยู่บนกระแสของพุ่มวิหารนั่งสีได้เนี่ยมันก็สงัดไปเยอะนะแล้วก็สงบไปเยอะด้วยตลอดถึงย่อมหลุดพ้นเป็นขณะขณะไปเพราะเมื่อเทวดากราบทูลถามพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่า ท่านผู้มีอายุเรารู้จักมักเป็นทางหลีกพ้นและผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายโดยแท้แล้วก็เทวดาก็กระทูลนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ก็โปรวงย่อมทรงทราบมักเป็นทางหลีกพ้นผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างไรเล่า พระมีรพระภเจ้า ก, ก็ส่งแสดงเพราะแสดงเนี่ยมันก็ค่อนข้างยาก่ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการอธิบายสภาวะจิตที่เข้าถึงนิพพานอย่าลืมมาถามถามตัวความรู้ภายในพระไทยของระองค์ในขณะนั้นรู้ตัวผลนะฮะรู้ตัวผล พระรัศสาว่าผู้มีอายุความสิ้นพบอันมีความเพลิดเพลินเป็นมูลเพราะความสิ้นไปแห่งสัญญาและวิญญาณหมายความว่าสัญญาคือสัญญาขันนะฮะวิญญาณขันเราจะเห็นว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นเจตสิกวิญญาณก็เป็นเจตเป็ น, เ ป, นเป็นจิตนะวิญญาณเนี่ยเป็นจิตแล้วก็หมายถึงเวทนานด้วยความดับ เพราะความสงบแผงเวทนาทั้งหลายหมายความมันยังไงคือนิพพานมาันก็พ้นจากขันนะเขาเรียกขันวิมุตตพ้นจากขันคือตามปกติแล้วท่านผู้ฟังลองสังเกตนะเราเห็นรูปเราฟังเสียงเราดมกลิ่นเราลิ้มรสเนี่ยใจเราต้องแปลผันไปอย่างไรอย่างนี้นยินดีหรือยินร้ายแต่ว่าทั้งหมดมันเป็นอาการขังกิเลส ทีนี้ถ้ากิเลสเป็นเหตุให้ยินดีหรือกิเลสให้เป็นเหตุหยินร้ายมันไม่มีอ่ะความยินดียินร้ายมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างคล้ายๆกับกระแดงวานหยอดไข่ลงในหินลงในกระจบลงในกระดานไอ้กระจบ ก, กระดานหินมันไม่มีเชื่อหน่าอะไขก่กระแดงวานก็ตายก็ตกไปจากที่นั่นเพราะในจิตจุด จุดต่างระหว่างมนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์คือสามัญชนกับพระยาบุคคลก็ต่างกันตรงนี้แล้วก็รับสั่งว่าเรารู้จักมรรคเป็นทางหลีกพ้นผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้มายความยังไงมายความว่าไ อ, ไอ้การที่มันไปยึดติดอยู่เนี่ย เป็นเราเป็นของเราเป็นเราเป็นรัวเป็นตนของเราอะไรต่เนี่เพราะว่าไอความจำหมายที่จริงมันเป็นเรื่องอดีตนะสัญญาที่เราจำเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องอดีตแล้วก็จริงๆมันก็ตายแล้วคือมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วเวทนาเองก็เป็นเรื่องอดีตในแง่ความจริงมันก็ตายแล้วแต่ว่าเราก็ไปปลุกผีเหล่านี้ขึ้นมา ยังเคยเล่าฟังนะว่าตอนนั้นบวชพรรษาที่สองไปนั่งคุยกับเพื่อนก็รุ่นพี่นิดหน่อยนั่งคุยตามมากันแต่เราก็พูดยกย่องถึงพระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงอยู่ในกรุงเทพลวกพี่แ ก, กเกิดโพ่งขึ้นมาแกบอกนี่คุณคุณเห็นหนังตะลุงไหม หนังตะลุงกัหนังควายตายแล้วอ่ะแต่เขามาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วก็สมมติเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นแล้วก็อึ้งไปนะเออคข้นใจคิดนะแต่ก็ไม่ได้เหมารวมในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าในแง่ของควา ม, มจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมติปัญญาเราปัญหาสำคัญว่า ผลเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการบำเพ็ญบารมีทั้งสามสิบ์ัของพระองค์จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันทำให้กิเลสเป็นเหตุไปสู่ภพเนี่ยมันดับก็จะลืมว่าในในในปฏิจจสมุปาทนะนะปฏิจจสมุปาทตัวสังขารเนี่ย ตัวสังขารเขาเป็นกรรมมาพบด้วยและก็เป็นอุปาธิพบด้วยหมายว่าเป็นกรรมที่นำไปสู่การเกิดในกาเนิดต่างๆเขาเรียกว่ากรรมมาพบแต่โดยสถานะของมันในช่วงแรกไอ้รอนสังเกตกว่าช่วงตอนตอนตอน้ตนเ น, น, นี่ยท่านเรียกว่าสังขารแต่ตอนปลายเนี่ยท่านเรียกว่าพบเป็นตันหาเป็นอุปาทานเป็นพบแลวก็เป็นชาต สี่ข้อเหมือนกันนะฮะแล้วตอนหัวเนี่ยท่านจะเห็นว่าอาวิชชาสังขารวิญญาณแล้วก็นามรูปนามรูป ก, ก็คือชาติวิญญาณก็คือจิตแต่ว่าจิตเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากอาวิชชาคือจากกิเลส ก, กรรมแต่ว่าตอนนี้แทนที่ท่านจะเรียกว่ากรรมภพท่านเรียกกรรมภพท่านเรียกว่าสังขารแต่ว่าตอนตอนปลายเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าภพ ภ พ, พมันเกีซ้อนกันอยู่สองชื่อคือเป็นกรรมภพกับอุปาติภพหมายความามันยังไงหมายความว่าสภาพหยิตคนเนี้บำเพ็ญบุญกุศลระดับที่จะบังเกิดในสันกามาวจรภูมิการหยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างก็ไม่รู้แต่ว่า เ, ออเมื่อท่านตายไปแล้วจะอุบัติในภพที่เป็นกามาวจรภูมิ ก็หมายความว่าอาจจะเป็นอบายสีอาจจะเป็นมนุษย์หนึ่งอาจจะเป็นสวรรค์หกทีนี้พบตัวเนี้ยมันก็เป็นรูปประพบรูปปพบตอนนั้นจิตตรงนั้นมันเป็นข้าชูโล ก, กรูปอรูปภูมิแล้วนะฮะคือหมายความว่ามีความสงบกิเลสไปเยอะแล้วระดับสมาธิระดับฌานไปแล้วแต่ก็ท่านยังเป็นพบอยู่อะยังเป็นกรรมปพบอยู่ ก็ไปบังเกิดในในพรหมโลกสัตว์ต่างๆก็มีรายละเอียดเยอ ะ, ะเพราะนวเจนว่าในที่นี้คือความสิ้นแห่งกรรมภพมันมีความเพลิดเพลินเป็นหมูดก็ตอนนี้ท่านท่านท่นานท่ากกรรมนันชีนะนันชิแปลว่าความเพลิดเพลิน นั่นที่ก็เป็นกิเลสประเภทเนี้การมาตัณหาเพราะาตัณหาโลภะาราคะพวกนี้นะเก็แล้วแต่จะจะเอาจะเอาชื่ออะไรมาสื่อสารก็ทำให้จิตกําหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินและพบดังนี้ก็ถือว่านิพพานเพราะเวลาอธิบายปริยายของนิพพานนี่จะเยอะมาก มีคมํเป็นร้อยๆคํำะนะโดยเฉพาะในอุบาลีวาทาสูตรสูตรเดียวในมัชชิมานิกายมีร้อยชื่อก็เรียกพระพุทธคุณร้อยบทเอาแห่งเดียวอะร้อยครัเพราะนิพานจากการสังเกตยังไม่ไนับละเอียดนะคก็เรียกว่าสองร้อยนี่ขึ้นสองร้อยกว่าแต่ยังยังไม่ได้จดไว้ไม่ได้นับไว้เพราะว่าจริงๆมันก็สับเฉย เราไม่ควรจะไปไปถกเฉียงในประเด็นตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ต้องการสื่อสารให้คนฟังในขณะนั้นเข้าใจเราเห็นว่าเทวดาแกใช้นิโมกปโมกแล้วก็วิเวกแล้วก็นิพาน คำทั้งสามสี่คำนี้ถ้าเขาแยกเดียวเนี่ยเขาหมายถึงนิพพานได้หมดแต่ว่าพอพอมาเรียงเป็นแถวมันก็กลายเป็นมกกรรคผลแล้วก็เป็นตัวผลที่ดำรงอยู่ท่านท่านฟังสังเกตนะฮะว่าที่เราเคยพูดถึงวิมุตหะเนี่ยวิมุตหะสามข้อกันหลังที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะเพียงแต่ว่าตัดกิเลสแล้วเนี่ยมันก็ออกไปจากกิเลสออกไปจาก สังสารทุกข์แล้วก็สงกเพื่อนมันก็กลายเป็นเป็นมิมุตสามที่จริงเป็นขณะสั้นนิดเดียวแต่ว่าเป็นมิมุตสามแหะเพราะจากนั้นจะกระทบอารมณ์กระตุ้นให้รักกระตุ้นให้ชังกระตุ้นให้กลัวกระตุ้นให้หลงก็จิตใจก็ไม่ได้วันไหวไปกับอารมณ์แบานั้นทีนี้อีกหน่ายหนึ่งเนี่ยสังขารขัน สังขารขันอันกำมาพบถือเอาแล้วคือสังขารขันเนี่ยมันอาจจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้นะฮะแล้วก็กลางๆงก็ได้แต่ทีนี้พูดก็ น, นําไปสู่พบก็แสดงว่าต้องเป็นกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่ด้วยอํานาจแห่งอภิสังขารสามคือเป็นบุญเป็นบาปเป็นอรูปฌาน ขั้นสองคือเวทนากระสัญญาตัวเวทนากระสัญญาเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นจิตสังขารคือเป็นตัวปรุงจิตั้าฟั ง, งเราสังเกตนะเรื่องอะไรก็ตามที่เราไม่เคยพบมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาไม่เคยสัมผัสเพวมไม่เคยสัมผัสเราจะไม่รู้แล้วไม่แสดงความยินดียินร้ายอะไรอันนั้นเป็นอุเบกขาจดิดหนึ่งก็เรียกว่าอันยานุเบกขาอุเบกข า, าไม่รู้ แต่ถ้าเรารู้เนี่ยมันก็อยู่เราเราเก็บสถานะของสิ่งหนันน้นไว้ยังไงเราจำไว้ในแงด่ดีแสดงว่าเราก็ได้สวยความสุขมาจากการพูดคุยมาจากการรับประทานอะไรก็แล้วแต่นะฮะพอเห็นภาพเราจะเกิดความยินดีความยินดีตรงนี้ให้ลองสังเกตว่ามันมีวิญญาณมันมีสังขารมันมีเวทนามันมออีสัญญา ก็เกิดร่วมกันนะลองสังเกต ด, ดูและจะเห็นเลยว่าทีนี้บางทีถ้าวิญญาณมันดับสายนั้นวิญญาณมันดับเช่นสมมุติว่าคนตาบอดจะไปพอใจติดใจในรูปสวยๆเนี่ยมันก็ยากนะครับเพราะหัตถกุวิญญาณไม่เกิดและสัญญาในเรื่องรูปสวยของแกก็ไม่มีเวทนาเองก็ไม่มี แต่เวรนี้เขาก็มีอะไรก้าวหน้านะฮะจับจับรูปลูลลอะไรแต่ไรเขาก็พอรู้สวยไม่สวยเนะี่ยก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของเขาไงนะแต่ทีนี้การที่เรารู้สึกยินดียินร้ายก็แสดงว่าเราก็ต้องผ่านผ่านสิ่งเหล่านั้นมาคือได้ประสระบพบเห็นสิ่งเหล่านั้นมาทีนี้ทัญญาวิญญาณก็ก็ถือเอา เวทนาที่สัมยุญด้วยขันห้าด้วยขันสามก็คือสัญญาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเห็นไหมทีนี้มันมันมั น, มนที่จริงมันเกิดคือเรานับเรานับมันก็ถี่ยิบอะก็แยกไห้ออกอะเราเห็นรูปปั๊บเนี่ยมันเป็นทั้งวิญญาณเป็นทั้งสังขารเป็นทั้งสัญญาเป็นทั้งเวทนายกเว้นแต่รูปที่เราไม่รู้ว่ารูปอะไร นะมันจะเกิดที่จริงมันเกิดนะแต่มันเกิดอวิชชาคือเราจะไม่รู้ก่อนแล้วพอรู้เด็กมันจะจํำมาไว้นะจิตจะทำหน้าที่จําจําแล้วก็เสร็จแล้วก็นํามาคิดนะปรุงคิดคิดปรุงเอ า, เอาสวยไม่สวยก็ไปรู้ก็แล้วแต่ใครจะคิดเอาเพราะงั้นพวกเหล่านี้จึงไม่มีอยู่อย่างสากลแต่มีอยู่อย่างอุปาทานคือจิตใจที่ยึดมัน่นหรือมั่นของบุคคลอยู่เท่านั้น ทีนี้การถือเอานามมาทำเหลอานั้นนิพพานซึ่งดับกิเลสได้มีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานแล้วก็ดับทั้งชีวิตดับทั้งกิเลสเขาเรียกว่า อ, น, อานุปาะทิเสสนิพพานเป็นความดับเพราะความสงบของเวทนาอันเป็นอุปาทินกะคือมีใจคลองนะฮะหมายความว่า เอถ้าถ้าไม่มีเจครองมันก็ไม่มีเบทนามันก็จบอ่ะเราเห็นว่าขาดหายไปอย่างเดียวคือวิญญาณนะะคือจิตพอจิตบันดับแล้อยังอยู่นบรรดับสัญญาก็ดับเวทนาก็ดับนะสังขารก็ดับแล้วก็ไปสู่ภพชาติใหม่ก็ว่ากันต่อไปนี่ก็เป็น เป็นธรรมะที่เทวดาถามแล้วก็ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากแต่สรุปง่ายๆสรุปง่ายก็แล้วกันว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของขันธวิมุติคือพ้นจากขันไอขันตามปกติเราจะรู้สึกว่าเป็นของเรารู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแต่พระอระหันต์ตอนนี้ที่จริงท่านหมายถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระหันด้วยนะคร ท่านไม่มีอัตราตัวตนที่รู้สึกว่าเป็นเราเพื่อเมื่อเราไม่มีในของเรามันก็ไม่มีแล้วก็รู้สึกเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นมันก็ไม่มีแต่เพราะต้องการสื่อสารกันให้เกิดความเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องใช้คําเราเนี่ยนะเช่นเช่นเช่นเราพบว่าบางครั้งพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอนุนปูอัสนะหน่อย นะตถาคตเมื่อจะพักสักหน่อยหรือว่าตอนทิศเด็จจากเมืองปาวาไปกุสินาราในะเห็นว่าต้องประทับพักทั้งสองครั้งกระรสั่งว่าเหนื่อยก็ต้องการพักนั้นก็เป็นการสื่อสารให้คนเข้าใจว่าไอ้ขันเนี่ยมันมันไปไม่ไหวแต่ว่าพระไทยไม่ได้ติดว่าขันของพระองค์ เพียงแต่ว่าต้องพักก่อนสุส่สารด้วยภาษานั้นแต่ไม่มีคำว่าของเราไม่มีคําว่าเป็นเราหรือไม่มีคําว่าตรวจสอของเราเราคงจะเอาเต็มที่ไม่ได้นะแต่ว่าทํำยังไงล่ะทํำยังไงว่าหัดนิพพา น, อ, นอ่อนๆกันบ้างประเวณี้ถ้าเราไปแบกโลกแบกอารมณ์โลกเอาไว้นะดูโทรทัศน์ก็แย่อ่านซื้อพิมพ์ยิ่งแย่ใหญ่เลย เราโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยได้เรื่องเพราะงั้นก็เฉยๆใชบป่งหาหนังสือธรรมโอมธรรมะมานั่งอ่านอ่านธรรมะหรือว่าฟังรายการธรรมะฟังซีดีดีวีดีธรรมะอะไรต่ออะไรนี่ให้จิตใจสงบหรือแม้แต่เพลงที่มันทำให้ใจสงบนันก็ดีกว่าที่จะไปเอาเรื่องเหล่านั้นมาปรุงคิดคิดปรุงคือ เราเสียเวลาไปกับเรื่องที่เรียกนอกวิสัยคือเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราเสียเวลากับเรื่องล่านี้มันเยอะมากทีนี้เราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเราก็จ่ายไปแล้วเขาจะขึ้นมาทีเดียวก็ขึ้นมาทีเดียวสองบาทเลยจากแปดบาทเป็นสองบาทะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเปิดดูบางทีทั้งปึ้งเลยเนะอ่านอ่านอะไรไม่ได้สักเรื่องนึง ที่เราจ่ายสตางแล้วอะ่ะแล้วก็บางทีก็ให้พิษภัยแกจิตของเราด้วยเพราะรับรู้เรื่องหลอกลวงเรื่องเขาระ บ, บายอารมณ์เขาอะ่ะเขาระ บ, บายอารมณ์แต่ว่าเราจ่ายสตางแต่เขาได้ระ บ, บายอารมณ์แล้วก็ได้สตางมันต้องคิดมากเหมือนกันนะเพราะฉั้นมันถึงคราวจะต้องเลือกว่าการรับสื่อบางอย่างเนี่ยถ้า หาคําตอบมันได้ไปอยู่อะไรไม่ได้เนี่ยก็ปล่อยๆวางๆจะบ้างนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่านึกถึงรูปลิงปิดปากปิดตาปิดหูสักบ้างปากเป็นปูหูตะกร้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนาให้ไว้ใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราวก็ฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้